นับัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งคัดสมาธแสดงความองค์อากาหาญในใจให้จิตใจในความเพียรความมั่นความกยันตื่นขึ้นลุกขึ้นในหัวใจ ยาปล่อยให้อำ น, นาจีนมิทธะความง่วงเหาเหานอนเข้ามาถักผมการนั่งสมาธินี้ท่านนิระเบียดอยู่ว่าให้นั่งขัดสมาดเอาขาขวาถักขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วหลับตา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 ไม่ให้เกียรคิานไม่ว่าจะเป็นการห้องบนศาสตรายพระธรรมคำสั่งสอนก็ไม่ให้เกียรตานให้มันความเพียนนั้นคือว่ามันขยันกราพระว่าพระสวดมนต์ก็ยาเพียงหมายแต่ว่ามารวมในหมู่ในคณะกราพระว่าพระ เราอยู่คนเดียวก็ปราบได้หวได้นั่งสมาธิภาวนาได้ตรวจมนภาวนาได้เดินจมกลมได้ความเคียนนี่แหละท่านว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญวิริยณะทุกขมัดเจติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ผู้มีความ้าเพียรพยายามแล้วจิตะทําการงานใดๆ ไ, ไม่เหลือวิสัยผู้มีความเพียรทนทุกข์ได้แต่ผู้มาภาวนาตั้งใจปฏิบัติไม่มีความเพียร แตอยากให้จิตใจของตนทนจากความทุกข์ความเล่าร่อนต่างๆนาน า, นาทำอย่างไรใจข้าพเจ้าจะสงบระงับมีอุบายอะไรก็อุบายไม่ชี้เจตนั่นแหละอุบายมันอยู่ที่ไหนอุบายมันอยู่ที่ความเสี่ยงทำอย่างไรข้าพเจ้าจะสู้กับ กเลสลาะโทสะโมหะในใจได้ไปสู้ที่ไหนสู้ด้วยความเพียรสู้ด้วยความตั้งใจมั่นเราตั้งใจลงไปแล้วฮะมันมั่นคงไม่มั่นคงอยากไปถอยเมื่อจุดไม่ถอยจิตเพียรพยายามอยู่ หาวิธีการที่จะเอาชนะกิเลสในใจของตนให้ได้เดี๋ยวนี้กิเลสในใจมันย่ำเยียดกายวาจาจิตของเราอยู่ไม่ยอมให้เราลุกขึ้นปฏิบัติภาวนาได้จริงที่ทำได้นิดๆหน่อยๆแต่ความอยากได้มากอันนี้ไม่ถูก เมื่อมีความเพียรอะไรมันจะเหลือความเ พ, พียรโดพรพุทธเจา้าที่ดันได้ปรัชลุปเป็นพระพุทธเจา้าท่านมีความเพียรทีไอสงขายแสนมหาศักดิ์ท่านยังมีความเพียรความมันขยนัน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 หากเราจะมาท่องแค่คำพูดเท่านี้จำได้แล้วก็ว่าได้กิเลสราคะละไม่หมดชื่อว่าไม่ยังไม่มีความเสี่ยงกิเลสโทสะในใจของตัวเองยังไปยึดไปถือมันอยู่ไม่ละให้หมดนั่นาละมันยังไม่มีความเสี่ยงกิเลสโมหะในใจยังไม่หมดไปสิ้นไป คอยความเทียนได้ที่ไหนต้องเทียนพยายามอยู่ทุกเวลาพระองค์ทรงตรัสว่าเทียนพยายามอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคําว่าทุกลมหายใจเข้าออกนั่นะคือวัดเทียนอยู่เสมอตั้งใจอยู่เสมอในภ า, ายใน นั่งก็ไม่ยอมให้มันง่วงเหงาหาหนอนเยยตัวขึ้นให้มันสูงสุดไม่ให้กระดูกสันหลังมันอ่อนลงไปได้แล้ก ว, วเทียนเทียนพยายามฝึกตัวเองอยู่มันจะเหลือผู้มีความเทียนไปไม่ได้เพราะว่า บนแผ่นดินนี้ผู้มีความเพียรผู้ไม่ทอแพ้อ่อนแอในดวงใจไม่ว่าจะทำอะไรยอมสำเร็จได้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแล้วเราก็ต้องตั้งความเพียรลงไปภาวนาลงไป เมื่อมันยังไม่ตายจะไปถอยความเจียนก่อนไม่ได้ามันตายมนุษย์เผาไฟแล้วมันจึงถอยถยังไม่ตายแล้วไปถอยความเจียนไม่ได้เตินขึ้นลกขึ้นในจิตในใจใครจะคิดชั่วเหลียวไหลให้เป็นเรื่องของเขาใจเราไม่ต้องคิด อนใดจะพูดชั่วเลียยวไหลไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องของเขาตัวเราทุกขอนสิ่งใดไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่พูดเสียเลยเทียนพยายามระหวังรักษารักษากายรักษาวาจารักษาใจรักษาตัวก้อนเดียวตัวเดียวนี้ไม่ได้ จะจัดว่าเป็นผู้มีความเพียนมีภาวนาไม่ได้ความเพียนความหมันความขยันขันแข็งไม่พ่อแทอ่อนแอในหัวใจเมื่อมันเกิดความทกความเดือดร้อนใดๆขึ้นมาก็ให้ศีรละทุกสิ่งทุกอย่างลงสู้สู้โดยการละทิ้ง อย่าไปเยึดเอาถือเอาเขาว่าให้เราเขาโดูถูกเราเสียงไม่ดีเข้าหูก็เพียนละออกไปให้มันหมดสิน้นมนุษย์มีตาห้ามมันไม่ให้พูดไม่ได้มนุษย์มีตาห้ามไม่ให้ดูไม่ได้มันเป็นเรื่องของโลก ทันจึงกล่าวว่าตาหูจมูกเลี้ยงกายใจมันเป็นความร้อนความร้อนคือกิเลสกิเลสเหมือนกับไฟไฟมันเป็นของร้อนไม่ว่าไฟนั้นจะเป็นไฟวันไหนเดือนใดยดุคใดสมัยใดก็ตามไฟธรรมดาเนี่ยมันร้อน กิแลสในใจมนุษย์คนเรานี่ยมันเป็นไฟไหม้หัวใจของตนอยู่ทุกเวลาเรายังเด็กอยู่ไฟไหม้ไม่ได้ไม่ได้ก็เหมือนไฟภายนอกเด็กไปเถอเข้ามันก็เหยียดไฟไหม้เท่าไหม้สิตเหยียดมากก็ไหม้มากเข้าสู่กองไฟก็ตายเลย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 เมื่อจ็ตมันไม่มีความเพียนปล่อยให้กิเลสมันพัดผมตายมันก็อ่อนแอท่อแท้ที่เศร้าเหงานอนมันก็ไหลมาเทมาก็เพราะจิตมันไม่มีเพียนจิตมันไม่เติมขึ้นไม่ลกขึ้น จิตมันอ่อนแอทอแทนจิตมันคุนมัวมันไม่ใสพุทธะไม่อยู่ในจิตจิตไม่เข้าถึงพุทธะพุทธะโยภายในใจสว่างแจ้งไม่ลหลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุภาสตทั้งหลาย ตั้งใจยกจิตใจของตนขึ้นมาเอาจนให้ได้คำว่าผู้มีความเพียรย่อมสำเร็จได้ทุกอย่างทุกระการตั้งใจทำตั้งใจพูดตั้งใจคิดตั้งใจภาวนามันไม่เหลือวิสัยของผู้มีเพียร ผู้มีเพียนคนมีเพียนทำอะไรก็สำเร็จพูดอะไรก็สำเร็จคิดอะไรก็สำเร็จเมื่อไม่มีความเพียนมันจะเอาอะไรมา็นความสำเร็จทำอะไรไม่ตั้งใจทำทำจนตลอดลอดฝั่งคือว่าเอาจริงเอาจังในใจ แม่พุโทโอคำเดียวก็ได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งขณิษฐาเพราะอะไรเพราะอง์นั้นผู้นั้นทำจริงๆปฏิบัติจริงๆภาวนาจริงๆริตั้งจิตตั้งใจจริงๆตั้งเนื้อตั้งตัวจริงๆเอาจริงเอาจังทุกอย่าง <c oughs> เมื่อทำจริงๆปฏิบัติจริงๆของจริงมันก็ปรากฏต่างขึ้นมาในที่ความจริงนั่นแหละไม่ได้โยในที่อื่นมันโยที่จิตที่ใจของแต่และบุคคลไม่ต้องไปมัวสงสัยมีตกวิจางอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ทำจริงปฏิบัติจริง มันไม่จริงอยา่าไปถอยความเสียงโดคาสาวกในขั้งพุทธการท่านทำจริงท่านเดินจมกลมอย่างเดียวเอาจนได้สำเร็จมรสนเห็นแจ้งสนิดขาดท่านทำอย่างไรทำว่าจริง ในนี้ท่านนั่งภารนามันก็ง่วงเหงาเหานอนเหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละท่านก็ไม่ยอมนั่งท่านนั่งมันตับปงกท่านไม่นั่งท่านเดินจมกลมคําว่าเดินจมกลมก็คือว่าเดินก้าวไปก้าวมาในทางในเส้นทางจมกลมที่ท่านตากกวาดไว้นั้น ไม่ยอมหยุดไม่ยอมนั่งฐานั่งมันใครหลับหลับตาก็ยิงลายใหญ่ mm hmm. เดินเอาอยางเดียว mm hmm. เดินไม่รู้ว่ามันนานเท่าไรหล่ะเดินจนหนังเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้แล้วเราท่านทางหลายผุ่นั่งภาวนาอดี๋ยวนี้เดินเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้มีหรือไม่เห็นมี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 เมื่อเดินไม่ได้ท่านยังไม่ถอยความเียถ้าเราสมัยนี้ถ้าถึงขนาดนั้นแล้วก็นอนแผ่นนะไม่เดินดีต่อไปไม่ภาวนาอีกต่อไปแต่ท่านไม่ยอมเมื่อเดินไม่ได้เขายังมีมือยังมีคานเอาฉันว่าอย่างนี้นทีนี้ก็คานเดินจงกรมไปกลับไปกลับมา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 มีแต่นอนหมผ้าให้มันตลอดคืนมันจะได้สำเร็จมรรคผลอะไรก็ได้แต่กรรมฐานที่ไก่เท่านั้นเองกรรมฐานที่ไก่กรรมฐานขี่หมูไม่ลุกขึ้นภาวนาเหมือนพระเจ่ก่อนพระเจดก่อนท่านเดินไม่ได้ท่านคานเอา แต่นี่คานไม่ได้ท่นทำยังไงทันก้มไม้ต้องนอน่ะแต่ท่านนอนขวางทางจมกลมแล้วไม่ใช่นอนนิ่งๆให้มันหลับพลิกเหมือนกับเดินจมกลมในทางนั้นอีกมันเยืยดยาวลงตั้งแต่หัวถึงศีนทีนี้มันก็ไม่มีที่ไหนแตกเ่ยกลิ้งไปพลิกไปจนสุดทางจมกลม ลิกลับมาอีกเอาอยู่อย่างนั้นไม่โลกกี่ครั้งกี่หนนับไม่ทั่วมันตั้งใจลงไปท่านไม่ยอมให้มันหลับมันไหลทำไมมันพุ่งซ่านไปที่อืนเท่ามันเจ็บ ก, ก็ไม่ไปยึดถือเข่ามันแตกก็ไม่ไปยึดถือมือแตกก็ช่างมือมือผีหลอกมันหลอกให้หลง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 ได้ภาวนาทำความเปลี่ยนละกีเลยเป็นสิ่งสำคัญความตั้งใจองกนั้นเมื่อถึงขั้นนอนเยียตามแผ่นดินเลยลื่งไปเปิดมันไม่ไม่แตกอะไรนี่มันไม่มีที่ไหนหนักพอเยินมันก็ไปลงหักที่เท้าสี่สิบ พักานมันก็ไปที่เข่าที่มือมันหนักที่นั้นถ้านอนเยียดยาวไม่นีที่ไหนมันจะไปหนักแบบมันเท่ากันหมดแต่ไม่ใช่ท่านนอนหลับเหมือนพวกเราไม่ใช่นอนภาวนานอนกลิ้งไม่ยอมให้มันหลับใม่มันเน็จเดี๋ยวสติสัมปชัญญะ สมาธิทันตั้งมั่นลงไปองนี้แล้วมีความเทียนที่สุดในพุทธศาสนาไม่มีอง์ใดที่จะได้สำเร็จแบบนี้มีองค์เดียวเท่านั้นเพราะว่าท่านทำจริงเราทุกคนทุกลวงใจถ้ามีความเชียนขนาดนั้นคิดดูสิ ไม่ต้องไปถามหามรรคผลนรือานนะท่านเอาจนสำเร็จแม้เราทุกคนก็เอาให้มันขนาดนั้นหรือมันจะไปเหลือยี่ใสไปได้หรลยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันไปถอยเสก่อนหยุดเสก่อนมันกลัวตายเนาะมันจึงได้มาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นมันนอนอยู่ในท้องแม่นับภพบนับชาติไม่ตัว เพราะจิตอันนี้ไม่มีความเพียรไม่สมกับพุทธภาสิทธิวาวิิเยนะทุก ข, ขมาเจตุบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรไม่ใช่เสียงคำพูดวาจาที่เป่งออกมามันเป็นการกระทําทั้งหมดนั่นแหละโดที่ท่านทำจนกระทั่ง ถึงขั้นนอนนอนจมกลมจนได้สาเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสติทาคาเป็นพระอานาคาเป็นพระอรหันตา์าในทางจมกลมนั้นในจิตที่ไม่ไหวหวั่นท่านคือไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็ก มันก็เจ็บก็เป็นเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารเขาเจ็ดเจ็ดท่านมีความเกียนจ็บท่านมีความขยนันหมั่นเพียรไม่กลัวอะไรทั้งหมดมันจะไม่สำเร็จนั้นไม่มีให้เตือนใจของเราว่าเราได้ทำความเกียนเหมือนพระอาราหันต์องค์นั้นหรือไม่ ถ้ายังไม่ถึงเอาให้มันถึงไม่ถึงให้มันตายเสียดีกว่ามาลอกินเข้าศกทุกวันใจที่เกียดใจที่คานใจที่หลับที่นอนใช่ไม่ได้เตือนขึ้นลุกขึ้นอย่าไปเสียงว่าเห็นคนอื่นว่องเหงาหาวนอนตัวเองไม่เห็นตัวเอง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 มันก็ได้แค่โลกียสุขเท่านั้นไม่ถึงขันนงงง้นภาวนาละกิเลสได้จงตั้งใจบำเพ็ญภาวนาลืนตาดูกายวาจาจิตของเราเองอย่าไปมัวเล่นมัวพี่คุยอยู่พูดอะไรตอนนี้อะไร ให้ภาวนาละกิเลกไม่ได้ได้แต่ขี้คุยมีขี้อยู่ในหัวใจขี้กรดมันก็โยนีิที้รอบมันก็อยู่นี่ขี่หลงมันก็โยนีิมันไม่ลุกขึ้นภาวนาทําความเสี่อมมันมีแต่ความอยากมีแต่ตัณหาตัณหามันหามาตันไว้มันหามาปิดมาบังไว้ ตาหันตันหาตาเห็นรูปมันก็เกิดตันหาหูฟังเสียงมันก็เกิดตันหามันหามาตันหามาปิดหามาโผกมัดรัดเรื่องไว้ในตัวในใจสร้างความดีให้เกิดขึ้นไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเอาจนกิเลสมันดับไปหมดไปสิ้นไปไม่ดับ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 องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีสิบบารมีสามสิทธัสเตมบริบูรณ์ทุกส่วนทุกประการเมื่อถึงข้าดนั้นไม่มีอะไรเหลือล่ะลกิเลสราคาต่ได้ละกิเลสโทสะก็ได้ละกิเลสโมหะก็ได้ไม่ได้อย่างไหนท่านมีความเขียน ท่านไม่ใช่งอมืองอเท่าเหมือนพวกเราทังหลายท่านตื่นขึ้นท่านลุกขึ้นท่านยืนหยัดต่อสู้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งเนื้อทั้งตัวทกอย่างเมื่อมันลุกขึ้นเต็มที่นั่นแหละแล้ววิริยนัททุกขมัดเจติ บกคอนใดก็ตามจะพ้นทุกได้เพราะความเพียรไม่เหลือความเพียรเลยได้คนที่มีความเพียรของหนักมันกลายเป็นของเบาที่ว่ายากมันกลายเป็นของง่ายคนเอื่นทําไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทําได้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านั้น เป็นโู้มีความเพียรอันใหญ่ยิ่งไม่มีมนุษย์และเทวดาอินพรหมที่ไหนมีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองไม่เนรใครมาเที่ยมสอนให้พระองค์มีความเพียรเองความมั่นความขยันความอดความทน ละอง์ฝึกฝนอดกลมจิตใจของเรอองค์มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถอาขารทุกเรื่งทุกอย่างเหมือนกาวัลผืนแผ่นดินหนักเท่าไหร่มันเอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินลอยไนดะ้นั่นละก็ว่าใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีทีนใจพระ ปัจเจคพุทธเจ้าเป็นผู้มีเทียนเจตใจพระอระหันตากินาศเจ้าทงางไหนเป็นผู้มีความเทียนเจตใจของพระโสดาพระสัจจคาค่ะพระอนาคาท่านมีความเทียนความสามารถอาหารไม่ใช่ขี้เต่าเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญ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 ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรนั่งสมาธิภาวนาหลับตาภาวนามันก็ได้ชั่วเนื้อเนื้อในนอนเมื่อความเพียรไม่มีก็สร้างความเพียรให้เกิดมีขึ้นพุทอในใจหลงไหลทรรมะไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมนั่งก็พุทโอในใจ นอนก็พุทโธในใจเดินก็พุทโธในใจเดินไปไหนมาไหนก็พุทโธในใจกิเลสโลเลสละให้หมดโลเลสไหท้อแพ้ออนแอในหัวใจเรียกว่าเป็นคนใจดีใจงามใจเฉียบฉลาดสามารถอ่าราน ไม่เป็นคนใจเน่าคนใจเน่าใจเหม็นประโยชนที่ไหนกน็เน่าที่นั่นเหม็นที่นั้นเศรษสมาธิปัญญาวิชาวิมดุดไม่ทำให้มันเกิดมีขึ้นมีแต่เรื่องเน่าเรื่องเหม็นเรื่องโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำขาด ไม่เลิกไม่ละความโกรธไม่เลิกไม่ละความโลภโลภธิตุเท่าแผ่นดินไม่เห็นเลิกละให้หมดนั่นแหละจึงให้ชื่อว่าเพียรเพียรละกิเลสมีมากน้อยเท่าไรกิเลสยากก็เพียรละให้หมดกิเลสอย่างกลางก็เพียรละให้หมด กิเดอย่างละเอียดสุกเพียนละให้มันหมดไม่หมดจะไปถอยความเพียนตั้งใจเพียนลงไปอย่างนั้นโยตลอดเวลาเมื่อมีความเพียนเต็มที่ได้เมื่อใดเวลาใดมันก็รู้แจง้งรู้จริงขึ้นมาในหัวใจที่มีความเพียนนั้น ไม่ใช่มือเท่าร่างกายมันมีความเทียนเจตนัน้นมันมีความเถียนเจตดมันมีความสามารถอานฐานเจตดมันไม่ทอดแท่อ่อนแอเจตดมันมีสติสำปราัญญามีสติในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ เมื่อจิตมันมีสติมีสมาธิมีปัญญามีญาณอันยิศษเกิดขึ้นในใจิตใจของผู้มีความเพียรมันก็รู้ได้เข้าใจามันจะไปรู้ที่ไหนก็รู้ที่กายวาจาจิตรู้ความขี้เกียจที่ข้ามและละทิ้งให้มันหมดไม่ต้องมายึดหน้าถือตา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 ตื่นขึ้นอย่ามามัวนั่งนั่งนอนนอนเล่นอยู่เปาๆนั่งก็ให้นะภาวนาในจิตตั้งจิตให้มีความเปลี่ยนความมมายเดินเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อทำจริงๆปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่เลึกไม่ใช่ตื้นมันพอดีนะ ทำเทียนให้มันถึงถึงได้ทุกข์คอนถึงได้ทุกข์หัวใจโลได้ทางนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นถามหัวใจของตัวเองว่ามันมีความเทียนหรืออย่างมันตั้งใจมั่นหรืออย่างในใจนะั้นไม่มั่นคองมันไปอยู่ที่ไหนไม่ได้กินเข้าวาหัวใจหรือ กินข้าวคาหัวใจทุกวันทำาไมใจมันจะไม่มีความเทลียนเปลียนละกิเลสทำไมไม่เปลียนเทลียนเอากิเลสทำไมมันเปลียนเอาได้กิเลสราคะโทสาโมหะทำไมมันมีเต็มกายเต็มใจเต็มวาจาของทุกๆคนไปไหนมาไหนก็ กิเลสความปรอดความโลภความหลงแบกไปหาไปหามไปเถละิถลากิเลสโลเลปุสสีเก่าสอนให้ละทิ้งได้ละทิ้งเลยอย่างได้คลอยได้วักทิ้งเลยอย่างไม่ทิ้งเดียวนี้จะเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ตั้งเดียวนี้ไปตั้งที่ไหน ไม่เพียรพยายามเดี๋ยวนี้จะไปเพียนเมื่อใดเวลาใดโกหกพ้อกลมตลอดเวลาใจไม่จริงคนไม่จริงเกิดมาทำไมเป็นชายทำไมใจไม่แกลก้าสามารถเหมือนกับพุท ธ, ธเจ้าเป็นหญิงทำไมหญิงไม่แกลก้าสามารถ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 ไม่เพียงถึงขนาดนั่นพระสาวกเจ้าทั้งหลายในคลังพุทธกาลท่านเดินจมกรมภาวนาทำเพียนอย่างเดียวจนนอนจมกรมแล้วก็ได้สำเร็จไม่สำเร็จมันไม่เยอะเหลือแหละเอาถึงขนาดนั้นละมันได้ทุกคนหมด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 จะไปที่ไหนไล่กิเลสแต่มันหนีหมดให้เหลือแต่จิตที่ไม่มีกิเลสความโกรธให้เหลือแต่จิตที่ไม่มีความโลภเหลือแต่จิตที่ไม่มีความหลงนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาอยูธรําอยูโกนไปไหนมาไหนไม่ปล่อยให้ใจิตใจ ล่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจศีลจองคากั่้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่มีใครจะไปทำแทนกันได้เปรียบเหมือนบุคคลเราที่มีชีวิตเป็นมาตั้งแต่เกิเราบริโภคอาหารมาโดยลำดับลำดับ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 แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสัตว่าเราตถาคตเป็นผู้ตรัสผู้บอกผู้ถอดสอนสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องเอาไปทําความเปียนละกิเลสในจิตในใจของตนไม่ใช่พระองค์ไปละกิเลสให้สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายละเองปฏิบัติเอง มันเต็นที่เต็นฐานเมื่อยังไม่เต็นที่เต็นฐานไม่ต้องบน่นพกอะไรสรั่งล่ะไม่ต้องไปบน่นมีความอดความทนมีความเพียรความหมัน่นมีความขยันขันแข็งไม่ทอดแพร่ออนแอร์ในหัวใจในจิตในใจนะั้น กายวาจามันก็ไม่ทอแท่ออนแอมเหมือนกันใจเอากายวาจามันเอาทางนั้นจิตมันเป็นนายร่างกายมันเป็นเบาครลราลาบสะดอนธาเจ็บมันสั่งการให้ทาให้ปฏิบัติให้เลิกให้ลัาละได้หมดเนี่ย นามพุทธพาสิที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเขียนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรูสร้เป็นพระพุทธเจา้าเพราะความเขียนพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งขณีฐาน ท่านก็มีความเพียนความขี้เกียจที้คานมักง่ายทันละทิ้งปล่อยทิ้งตัดทิ้งเอามันเด็ดขาดลงก่อนความเพียนมันก็เกิดขึ้นเต็มที่ไม่ว่ากิจกรรมการงานใดๆทายนอกทายในเมื่อมีความเพียน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 ทำบาปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนตลอดชาติก็ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อละบาปเพราะว่าบาปนั้นใครทำแล้วมันเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อเราเลิกได้ละได้ปล่อยวางได้ ใจของเราเองก็ได้เสวาแจ้งใสหมดสดสะอาดช่องสัวช่องแคล่วว่องไวไหวทิพเฉลสลาดเขียบแหลมู้จักู้แจ้งู้จริงู้แจ้งแทงตลอดในโลกในทางโลกและทางธรรมมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนแหละแต่ว่าทุกคนไม่เพียนเลยายาม ทุกคนมีความเทียนความมันความขยันขันแข็งสามารถอถามแล้วก็อย่อมสำเร็จรุล่วงได้ทุกทวนนาฉะนั้นดวงจิตดวงใจของเรายาได้ประมาทต่อไปประมาทมาแล้วก็ให้แล้วไปตางแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ไปต้นไปเราจะไม่ประมาท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 ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการลัชนีกัพพีติโยหิวัตชันตุสัพพโลโคนัสตุมาเตภวัสตสวรนตรายโยสุพีทีฆายยโกภวะอิวาธนาสีริษนิจังบุตภาปจาริโน จตารโรธัมมาวทันติอายุวันโนสุ ข, ขังทะลงัง